มีวันนี้วันนี้ราชาเวลาไปเยวะรอกระ่าพวกบัณโปงเขาไปฆ่าจป่ามาที่วันนี้แต่เขาจะเลยไปในาน้ำป่าจากไปเที่ยกันด้วยในรถเสือรถเสือก็เสือจะเปลี่ยนรดับสห้าสมุนจะมาี้ดากรหนุบัโป่งโพารามรงพารยาบาลมัณส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 งคมาเนี่ยมาจะมาปฏิบัติไม่พล่อก่อนหรือไม่คีบังอะไรเข้ามาการที่จะชนะปฏิบัติแต่การปฏิบัติไม่เหมือ น, อน ก, กันตามคำสอนที่กระจ่างชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ถึงใจมันตัอะไรมีเน่อนอนในชิตนั้นความรัะในชีวิตที่แน่านอนที่ถูกต้องมีมั้การฆ่าเคลื่อน แลาเคลื่อนไหวเป็นเรื่องธรรมดาธรรมะล่าให้ท่านฟังมานานเนะี่ยแต่ท่านไม่เข้าใจอดีตเป็นความสัมนปะัจจุบันเนี่คือเป็นความสริงคือเงินอดีตก็เป็นคามสันถ่านมาตั้งหลายวันะจะไปคุยกันทาไมเลก้อยเล่นเลื่อนไปมาเล่ากันใหม่มันเสียเวลานะนี่แหละอันนี้างเอ๋ยทุกข์รรแห่งนั่นตางสะ อนาคาหาคามแน่นอนไม่ได้อย่าจับมั่นให้มันตายท่านผิดหวังที่จะเสียยจตัวชีวิตคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือในอยู่ละท่านผู้ปฏิบัติธรรมหาการแน่นอนในชีวิตไม่ได้เลยเกิดที่นี่ก้ไปหยดตรงนี้กิ่ตรงนี้น้องไปอยุดตรงนั้นมีอะไรแน่นอนมาโค้งแช่งบานไม่ใหญ่โตผาไปตายอย่างนันที่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 หลายคนคิบคนต่อมาทาสอบให้รูแน่นอนไม่แนนะ่หลาตแกแล้วชีวมตต้องตายในวันเช่งนี้มาหลับเงินสายตายชะก่อนนะี่แหละหาคาแน่อนอนในชีวิตไม่ด่าอย่างนี้เหรอนะอะไรล่ะที่มันมีประโยะชน์ต่อชีวิตในกิจประจาวันลีบทำทุเดีวนี้ได้ไหมโอทัญญามร า, านางสุเว อย่าผัดวันประกันช่วงเลยมาไล่ตีหน้าฉันมาหน่าปฏิบัติอย่าไปคิดอย่างนั้นว่าจะสร้างความดีผัดวันประกันช่วแต่ความชั่วลายสามมาในชั้นเราก็ไม่ได้คิดนราทานตามาน้ำเผลอน้ำใจภูไกรมาลายเป็นการถูกต้ แต่ท่านอาจจะตีความให้ชัดเจนกว่ถูกใจก็เป็นการถูกใจไม่ใช่ความถูกต้องนั้นไม่ใช่ความถูกใจประธานตามตามน้ำเพล น, นำ้ำใจของท่างน้อบใจไม่ใชทางที่ดีต้องฝืนใจถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าเอาใจใส่ตัวเองแต่อาาเอาใจคนอื่นครับบ๊า าาายยเห็นจะผูกต่อเราจะจอาใจเลาอย่างเดี้วมาโดยเห็นใจคนอื่นเข า, ลาเลยเวลาจะรู้ว่าใครผิดใครผู ก, กไป็นการใดเราก็จะเข้าข้างตัวเราเองตลอดนะโยมตลอดในตอนของเร า, าถูกเขาผิดแค่ไหนบ้างแค่เรายห็นกับตัวเองผูกใจเสมอเป็นการดี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 เจตมากราวความวิติธรรมของโลกถามมีมากก็แค่คนเราขาเทขาดอนาสติขั้นพิจญรณาาดตัวปัญญาแต่จะเรียนถามโยนขึ้นมาว่าลาคาโทสะมหะมัมเกิดันเนี่ยจะแ ก, ก้ดีอะไรจะแ ก, ก้ดีอะไรจะฆ่าล้าวมาแก้โยนก็จะตอบไม่ถุก้า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 รู้ละเอียดรู้ออกรู้ของอารมณ์รู้เอคอนคลายอะไรควรไม่ควรรู้จั ก, การาละเทวศาสตรอย่อางและขณะรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่รู้โดยเมตกาเพื่อมหาและธรรมอย่างนี้เรียกว่าตัวปัญญายอรู้ของจริงปัญญาเป็นตวของจริงไม่ใช่รู้ของไม่จริงราเดียเ๋ยวนี้ไปเอาของไม่จริง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 มีอโกรธลอบหลวงในจิตก็กำหนดที่ลิ้นตีเนี่ยเสียใจหนอถอให้ผู้ปฏิบัติทำให้ได้คันี้รอจนะาความโกรธเนี่ยถ้าปัญญากำหนดนี่แ ป, ะะปลว่าอะไรแปลว่าตั้งสติให้รู้ถึงตัวปัญญาถ้ามีปัญญามาไล้วคา้ามโกรธจะหายไปเลยจะไปโกรธทำไมโกรธสามีืโกรธภรรยาโกรธโลกได้โล ก, ลล ก, ลล ก, กรดเที่งแต่สติถ้าปายยาัญญานะกหนดว่าโกรธหนอ ใช้ยายายาปัญญาจะบอกเลยย่าไปเกคุก้นหนามันเสียสนหมอคทยเคียบทำให้เสียงานทพื่อการขายของควรจะได้จับขายไม่ได้จป่จต่องานควรจะได้จับไม่ได้เลยภาตาพาหณ์โสดอารมณ์ค้าไปเหนือมาต้อารมณ์ค้างตลอดไปจู่จตงานไม่ได้เลยเอยอเดอรก็ไม่ได้หมดขัญยาเขาม่เยมชนชอบ ตัวนี้เป็นตัวสําคัญใคจะนั่งทําะไรก็ใช้ปัญญาปัญญานี่จะเย็นมากมันร้อนล า, าพิณาโทจารพิณโมหะพิมาอาทิตังอาภิตังร้อนอย่างเดวงอาทิตย์ร้อนอย่างปายเท้าขอนเพชรจักรอย่ลืมกลมใจตลอดคนที่กลมใ า, ายอย่างแร้งนร้อนลน้น่ะทาอะไรไม่จะผลจะขายขี้ก็ไม่ได้จะขายของก็ไม่ได้คนร้อนร้อเนี่ย ตเย็นไม่ได้เย็นเนี่ยน้ามันจะเกาะตัวมันน้นแข็งแต่เลื่อนละกามาชีสร้างความดีในสังคมเย็นถ้าร้อนขึ้นมาน้ำจะละลายตัวเลยจะไหลลงดินไปหมดเลยข้าวความชัม้นมญญาชปัญญาก็หาปดีในสังคมเย็นี้าร้อน่ึ้นนะม า, าน้ำจะละลายตัวที่จะไหล า, นน า, า, า, า, างดินไปหมดเลย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 ไปดูใจประมวนผลดูเดี๋ยวเรารูเา้เาลายเห็นไหมอ๋อเราสู้เขามาหาดางที่มัอดทนไม่โรงงานนี่เาขาอดทนเล็กทำงานยังคีเยลยตลอดรายการเขาสามสารถคืนความเพียรมาดูนี่คือตัปัญญาตัวปัญญาบริวารนาน้นใจดีบริวารหนีน้นใจแห้งบริวารแห้งน้นใจแห้งบริว า, ารวา มาพค่นั้นใจดีบริลานน่าหนีแค่นังใจไร้บริลา่าการแก้แก้เราไม่ยุติธรรมมันยากเกินเนี่ถ้าเราดีมีปัญญาถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัหรือเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการนี้ต้องมีครบวงื่นสอมีทั้งเมตตาปราณี อ, อ, อ, อรีเอืเพียอขาดเลี้ยไขดูก่อนโครงการท่านจะไปสนเร็จนี่คือตกวปัญญาได้แก่าา ม, มาถามแก้ไขปัญหาชีวิต ไม่ช่มานั่งเกินที้หนจามแล้วกลไปแล้วเลิกเลยไม่ไอย่างไรเลยนะ เ, ยรรยหนหเห็นด้วยปัญญานิเดี๋ยวเห็นเหรอเห็นเรืรร่องปัญญาปัญญาจะบ่งบอกให้เราทราบว่าคนนี้ครบม ด, ดคนนั้นครบไม่ได้ปรรัญญาลึกซึ้งเหน็นเหรอหัวไม่หมหนือต้องตายคืนนี้ไม่เสร็จละอลองต่อให้ซึแห่แม่ตาเลยเหน็นเหรคือหัวโผลมา ลับลองไม่ต่อแค่ทางเหลียงต่อแค่เป็นอมคะแค่นี้ทาได้นะมอ่านออบอกได้ใช่ไหมอ่านก็ไม่ออกบอกไม่ได้ใช่ไหมไรอ่านตัวไม่ออกบอกไม่ได้แล้วจะต้องอ่านคนอื่นออกนะดูก็ไม่รเนี่ยรู้ว่าจะผู้หญิงหรือชายแต่ดูให้มันเล็กเข้าไปน่อยเด้มยวนะเป็นชายหรือแค่เป็นคนแก่หรือเป็นคม่หม่ แม่ม่แบบไหนหัวตาหรือหัวหลังหรือหัวทิเห็นเหตุสะสะให้ใอย่างไรไม่ใช่เห็นเนหรือลางสวยเช่นัะล่างเหรือร่างเทอไม่เป็นท่าแต่นั่นใจางามหาว่าเขาไม่คุณไมด่ดีไม่เอย่ยมองกันในแ ง, ง่ดูแลกัอ น, นอย่างมองไั่งแง่ละเห็นด้วยปัญญาห น, นี่ง้ยไหการเจริญกรรมาฐานต้องการใช้ปัญญา ยอมมืล้อนลนทนไม่ไหว ม, มือลาะโทสะโมหะไฟเผาอยู่ในดวงใจนมนไม่หลับขึ้นไม่ได้นอนไม่หลับค่อคือมีความสุขสามีือใจชูสามีือไม่เอาไหนสามีมือเรื่องกาพ น, นันเรื่องเล็กเลเรื่องเล็กยอมมีปัญญาเช่ไหมเนี่สมุดไม่อการไปสนใจกับสามีือที่ใจชู ถ้าทนตามอัตมาที่พิจาสอนใช้ปัญญากเกิดมนต์ภาว น, น า, นาแผ่เมตตาให้สามีทุกอย่าอย่าสนใจไปตามสามีที่กินล่ากับบา้าอย่าสนใจสามีที่จใจชั่วเอาสามีกับบา้าแพ่เมตตาเนี่ยสะเพยสัตาเตามื่อตาคุณนางหังไม่ตาเมตตาจะสะพโลกะถึงมาในสัมพันธนะ์ว่าเยอะอัติมานานภะาวนาค่ะตาไม่ตาสามีกับล้างใจดีเลย แลกใจชู่เแลกเรื่องการพนันเลกเดินสลากนี่ใช่ปัญญาไม่ใช่ว่าไปใช้ชั่วไปชั่วใช่ได้หรือไปดีไปแกล้าจักรา้างายดีถึงกจะผิดสไม่ใช่อหัวชั่วอปชิ้ามายาแล้วก็ด่าแหละแหลกไปแล้ยไม่ได้หรอกนะถ้าโยอมมือตัวปัญญาแม่กรรมฐานถึงตัวปัญญ า, มาเมื่อไหร่รอบรูกองการขั้นถานเมื่ไหร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 บาเร่อหึงแล่อหวงเยีะอตาตมาอย่าเอาความรายไอแก่ม่ได้แตอาความดีแก่ขาด ล, ล้ายก็ดีเขาร้ายมาอย่ า, าย้ายตบเขาไม่ดีมนจะอาความดีไปแก้ไขคนต่มีให้ของที่ก่คพูดเลงไหลอาคามจริงใจไปสนทนาได้นะควรมากไม่เคยชนน่ะแต่เขาประธ า, า, านทบดยอมผู้หญิงเื่าต่ำโดยขาเถื่อนไม่เดือติกลาง หาตัวปัญญานี่จะพูดก็พูดเลยไม่จะด่าก็ด่าคือพูดเนะี่ยมันจะเยอมที่นี่นะเยียบที่ถึงบริเวณเยียบที่นี่เห็นก็ไม่ได่าท่าไม่ว่านะแล้วไม่หึงใครแน่แน่รกลรองได้เห็นหนาถ้ากเกจ น, นไม่หึงนะไม่หวงแน่สามมือไม่ดีแม่บ้านสําคัญอนะ่ะถ้าเยอมนะั่งกรรมฐ า, านได้ตัวปัญญาปัญญาแปวลว่าควมเมต ปัญญาแก้ป like, like ัญหาชีวิตคือกรรมฐานบ้าปัญญานหมอันนี้จางเอุอขั่ขางตาจะเห็นดขพ้นี่ะเป็นปัจจัยต่างวิวัฒนกรพอเป็นอยู่สิจะรู้นิสัยของสามีว่าไปเนี่ยไม่ดีใจคู่อันนี้ไปให้ผู้หญิงอันนี้ไปให้คนงยให้บ้านเรื่องเล็กแห่แม่ตาเลยแห่ม่ตาเขามีความสุดกันนะเขาจะเงินไปให้กระช่างเขาเท่าหเยี้ยนเงินเราก็เยอะย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 คนที่ไายปัญญาไปไหนาตาไปคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาม า, าตาไปเนียาตาหูไปตาหูไปก็พอเลยอาาเล อ, าามมาาาอาตาไปด้วยเลยคนน่ะกรรมานเข้าตาไปเดี๋ยวนี้ไปถึงตาคู่เลยเสียก็ไวิธีสี ย, ก, F ยก็ยเคลื่อน fm เสียก็เสไปเสียก็เฉบไป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 จริงไม่แฉไปแฉะที่ไม่จริงไม่แฉะทำบุญจางย่คนประเภทนั้นนะตอนน้ทำหมายชิงโนนะโอ้ทำบุญโนนะอ้สกกะปาขาดเลย ส, สักอะไจจไม่ดูเลใช่จะจจไม่ดีแ ล, จจแลคนไรปัญญาคนที่มีปัญญาเขาจะสร้างบุญและจิตสร้างความสนิทไว้ที่ชีวิตความเป็นอยู่ของโครงกายของหลงัคือความจุดนม่แฉ พขาจะไม่มีทะเละกันคนที่ไร้ปัญญาจะชอบทะเละกันหาเรื่องมรทะเละโยมท้าในปัญญาจะกลับมาถามจะพูดเพาะพูดดูเข้ใจง่ายพูดไล่ใส่ใจยากโยมขาดปัญญาจะพูดแต่เรื่องอะไดีเอาแต่อารมณ์มาพูดกันใช่ไหมชอบใข้าอารมณ์สามีสามีแบบนี้จะไปชอบ ใ, ใครมาเห่ะจะไปไหนกะไปเลืกเดย สาภรยาที่มีปัญญาเขาไม่ถามนะเด็กเดินก็ไม่ถามกระถามคำหนึ่งก็ถามเรื่ยๆคุณพี่ขากรบจะเด็กเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมวันนี้แล้วไปได้โก้ได้มาเท่าไหร่ขอดูกระเป๋าตังค์คุณพมีตังค์เรก็ยุไปเลย น, นี่คือคนฉลาดคนง่อนี่ไอ้หนานจะเด็กเครื่องสักหลับไปนานแกไปเสียกอยู่ที่ไหนะ นี่คนไม่มีปัญญาพูดระเลาะไต้เต้นบอกว่าพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากเช่อนะพูดโดยๆเนจะทะเละกันไหมแม่คุณแม่เงนหัวแม่เนื้เทเิดแม่แพงพูดร้ายจะต้องเข้าใจยากพูโดโดยๆจะเข้าใจนะเอมมุตเอาสามีประชาชิประชาชนะ นั้นประดี๋ยวเนี่ยจะได้มีพวกพองมาอ้าเราตั้ตงดริษัทจะมีออเดย อ, อยอาถามยกมพิชายอมพิชาจะไปจต่องานถ้าไปจัดต่อข้าวผู้หญิงจัดา่อพว ก, กพวกกิชาที่มันไม่มเค ย, อ, อ, ยอ่ะาเาไปจัดต่อียเนี่ยไม่เคยไม่นี่เน่ะเราไปค้าหามีอคไรทำยาอะ ไ, ไัยอมไม่ว่าเพราะว่อุดหนุนไงี่ะครับผมขายถูกไม่แพงอานั้ เนี่ยเดียวก็ยก็ตกรองเดียวเลยเอาเที่ยวเเขาเอะเี่ยเที่ยยังไหนมาเยวเอาเอ้หน่อยเห็นไหมน่าจะไปอะไรกันไปยอมฝึกอยู่เนี่ยจลับได้ก็ม่หับถ้าเราทาปัญญาได้ยอมบ้านจะมีความสุขเป็นหามนคนชีวิต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 น้าเครียดนางกากพยอย่างแบบนี้มันมียิ้มมันเครียดเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญานางกมาถามก็จะใช้ปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นสังสายศาสตร์เอาดยาลิพูนได้นหะเหลือคนอื่นยักคุดจะจะแฉบทำเนี่ยธมาพูดมันญาไม่มีใครไปใช้เลย อ, อาธนาก็จะจับมังม่งทำานตาถูกบังจะเกีย จ, ยจลอดชีวิตยอมทําใจไหมคะ สมมตินะว่าสามีใจชู่วเนีตายแล้วเขาจะไปแช่พนังรัชนาเราก็ทำกรรมฐานาเนี่ยแผอแม่ตาสามีดยขันสมมติว่าเทพเทิดพักดีไปแช่พน้รารัชนาขอให้พ่อพักดีและแม่รัชนาอยู่ยันตั้งสึกตลอดกาลแผอแม่ตาสัตเทสักตาเลยทำได้ไหมได้นะถามจริง ได้แล้วอยากจะเรียนถามว่าแทนความจุขนะนใครเป็นคนได้ก่อนนะแน่อย่าขายได้เฉยเรต้องได้กำไรก่อนขอสามมือฉันฉันฝากพักดีขนานดะอยู่ด้วยกันให้มันเจ๊งไปเลยอย่าให้มันรักกปเลยแย่งความรักเส้นตาอยากจะถามว่าใครเจ๊งก่อนนะ ใครเชงนั่งแผ่เขาอยู่ในประสุทดา์ได้บุญด้วยไยได้ไหมทมจริงอ่ะได้ทําตามทํา ต, ตามไหมงี้ที่พูดเนี่ยถ้าย้มทกำกรามฐานได้จะปรงตกว่องตอกเลยไม่สนใ จ, ส า, จสามีกินเหล้าสามีก็ชูเล่นการ<ส>า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 ข อ, อให้คุณแม่แผ่เมตตากอย่แล้วน้าไม่ท่านแล้วก็ไม่ใช่ดีจะพาลูกชายคนเล็กสอนลูกชายคนตอดีไปด้วยยอมไ่จากลูกชายคนโตไหมเนาะจับลูายคนโตไหมนั่นสอ น, นดีไปด้วยเลยนะลูายคนโตเป็ น, น, น ไ, ปไงล่ะฮะดีที่สุดร้ายยังไง ล้นรักนัวลาฮะยังงั้นเขาจะทูไหมดีแล้วชจ้าูดีที่สุดฟังเถอสาวใช้อะไก่แม่ไม่ชอบลูกชายคนโตเรารักษากันในวัดมันเป็นเกียดตภรรยาใช่หมเกียดแม่ไมบากข้ า, า, านหน้าไหมไม่เงียบซะนะ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 ได้คถาพระพุทธศาสนจะอย่าไปถามานิยมมีคนรั้ทั่วกปนไหมเหลอะความรักแตกเลยเลอะเนื้อได้ผลเยอะเอาไปใช้หน่อยไปไหนมีแเมตตาเราอย่าไปเกลียด ก, กันพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เกลียดกยัน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 ไม่ใช่เขารักน้าใจอย่าไปคูดพลิกฮะไม่ใช่แต่เขามีน้าใจผู้หญิงเนี่ยเขาให้น้าใจรักมีน้าใจนะเราก็มีอบายไปราบาจะบนให้เป็นร้านดูเลยฮะ ภาพล้าเทยไม่นี้หมดแล้ว ย, ง ย, งยิงหายิงได้ยิงหองอดหมดไปมาแล้วไม่หวงแล้วไม่อดหมดมาเรื่อยๆถูกไหมมีลูกอีกคนนะยมะใครห า, <พ>าทั้ง <พา S 1> คนอยียางโตมีคนชอบเยอะอยมีคนชอบเยอะใช่ไหมได้ ถึงนไหเนี่ยลูขย้ข่วาวะหอว่าเขาปัญญาตาตาบอดเลยตาตาบอดทั้งคู่เดีย๋ยวไม่อย่าหยดแล้วเราก็ปัดตานนโมธนามาอีกแล้วเหมือนมาอยู่ยกมือสาธุกันตาเหมือนอย่างคนดีๆแต่ไม่หดโอ้โห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 โอบอ้อมอาลูวาจีไพลลักงข้อทุกคนสามีแ้วเขาวางตนเป็นกลางเขามาเข้าทางไทยลอยมาคนีวันนี้มาเปล่าพวกนี้มารับเหรียญมีแจะต่างประเทศคนต่างประเทศเหละชาะน้อยประดามให้เราเราโอืกอดปอ เขาก็นักยอมดีนะนะนะให่เหรอนถึงองกรารตะรวมกรนอัตุปิเพร์ต้อนรับแถลก็อยู่ด้วยการจะมีความถูกความเจริญเนาะทำกรรมฐานดีสุดไมาจะไปสนใจเพื่อถผยรูปแผลไม่แผลอึ้งามอ่ะอยากเขาจะไปยังไงก็ช่างอะแผลเมตตาไปแา้วก็มีเหตุมีผลมีข้อเหตุนะ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 เราจะหมดแล้วกลับต่อได้เนี่ยามาตอมานด้ยืสองปีเนี่ยแต่วันที่สิบสี่ตุลาสิบสี่พันสองพันห้าสิบเอ็ดยื2สิบสองปีแหละตายมาแล้วไ<ต>ม่ด้ย อ, อีกแล้วเ่ให้มณะยามานยัอยู่ได้รพธรรมเราไม่จะไปคิดอะไรจะเป็นสามีหรือเป็นอะไรญาติพี่น้องก็ตามผการทาทั้งหลายไม่ไดีมาเอาดีไปแก้ย่าอย่าไปสนใจคนอื่นับยยมเชื่อกัรมารักอะไรเท่ากับรักตัว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 ถ้าเขาไม่มีโอกาสจะช่วยอะไรได้ถ้าเป็นลูกผู้ชายใได้ภรรยาก็เขาต้ไปเลี้ยงรอบคุเขามีลูกสาวใหได้ครอครัวาต้องเลี้ยงขอบคให้คนนักะลฉลาก็ช่วยเทินไปจนกว่าจะหมดลมหายใจตายอยาไปคิอะไรมันมากเกินทุข์เกนม่นประโยชน์เผลเดีการใดเพื่อํามมาตามานี่ตายไปแล้วนี่หมดอายุแล้วอย่เยวท่านสาธุชนทั้งหลายสามาขอที่ฐานตอนทุกขอหา หายใจจางสดือได้ปฏิฐานกับเท้าวเวททุวันเจ้ากรรมในเวนเหนือเจ้าเวนในกรรมขปจาใช่มีมนุษย์หมดหรือยังใช้หมดก็ขพาขปจ้าจะไปลรูล้หุนทางคนที่รู้จักทางกับคนที่ไม่จับทางลีกคักน้องทางกันเยอะเลยคนหลงท า, า, างทาเรานั่งเจริญกรรมฐานเพื่อต้องการจะรู้หุนทางรู้จักกฎ จ, จราจรข<า>ึ้นมาตวดมนต์ภาวนาป้องกันการต้นเหุ่นต่ายเรือเป็นเรื่องเล็กัน จะได้ไม่หลงทางมงันจะเสียใจตลอดกาลในลานนานายเจาิญพลดที่มีประโยชน์กันมายมฟังอยู่คอจุดตมาะยู่ยังตายแล้วรถชนคอหักแล้แขนก็หักขาหักอีกหลายข้างหลายขราวปอกเขียวที่มาสอบว่าก็ผ่าแล้วทุ้อยาง รับจางตมเตาไฟลวกมนร้อนเหลวกหมดอกทังเหลวกทุกอย่างรับกลับร้นกไ่จะตัดกรรมอย่างบางวัดไม่เมไหนก็จะตัดกรรมให้หมดไปมีที่ไหนเราคยิมสตางค์เข้ามาแล้วเราไม่ใช้นี่เขาจะไปตัดกรรมได้จะไม่รับใคคนานตองไปใช้นชาติน่ะพอเป็นดอกเบี้ยไปอย่างขยืม้อยเนี่ยต้ไปใช้ในชาติหน้าเป็นเป็นร้านลืนใจจึไม่เมื่แต่ทุกคนไม่ทราบเหตุการณ์ที่เก่ามาเพื่อมาเนี่ยที่โรงเรียน คนก็เกิรอตายแล้วลมเิกชาบะเกิดชื่อเกาะจั น, นเงินทองมาให้เราหมดข้าโมนี่มาให้เป็นแสงแสงคือคนรอตายไปได้สามอย่างบุญบาปทั่วกับดีกับวิชาคํานี้ให้ลูกเรียนหนังสือว่าหาวิชาความุให้ลูกเรื่องสามมีดีไม่ดีไม่ต้องไปวิจัยเลยเพราะฉะนั้นวิจัยตัวเองอา่านตัวให้อบบอกหยได้ใช้็จยอมเชื่อกัน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 แต่ ม, มาอยากจะย้อนยุแต่เป็นเด็กใหม่มันก็เป็นไม่ได้หรอกนะนับวันจะหมดเวลาไปในปที่สุดมก่นกันมัตมไม่ใช่หรอสาวจริงไหมไม่จริงหลอกลวงทั่วขาวนมจริงไหมไม่จริงหลอกลวงทั่วขาวดูก็แก่เดี๋ยวเดี๋ยวก็แย่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายจะมาเป็นสาวได้ไหมถึงจะแตนงตัวอย่างไงก็ตามนะจะปิดยังไงก็ปิดไม่เม็ด ผมขาวแล้วย้อมใหม่แล้วดึงหน้าดึงตาปิดไปปมาน้าเลี่ยเลยปิดนาเลีไปปิดมันเลยเอาหลักนนะจะไปปิดมันเห็นหรอรู้แล้วหาปล้เดี๋ยวนี้ปิดหหลายปีมาแล้วเนี่ยมาตรงนี้ยุทำมมากมาเตะใส่ก็จะไปชหม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 ไปคุยกันพุกวันฉันไหนไม่ต้อไปอายไปเชียงไงก็ไม่นนีได้โยมก็จะไปเชียงใหม่เต็มกระเป๋าเลยเรื่อเทนี้ทั้งนั้นเนยอะ <laughs> เ, เลย <laughs> บอกท่านรู้ไหมราคาเท่าไหร่ตั้ง 5,000 บาทแพง ยังเลื่อมไม่ยิ้สซอไว้อันอาตมาเก็บไว้เยอะเนี่ยอย่ า, ยาเป็นที่ระลึกมีประโยชน์ตอนโจทยทูกเพียนเนี่ยถ้าไม่มีไอ้น้ำมันใช้พนีทานะ้ำเนี่ยม่ทาเป็นไงนะทาไอ้ทูกเนี่ยโจทย์เบิกเลยด้วยน้ำจัดถ้าใครมีเหลือเอามาขอมากระยมนี่ก็อยุไม่มากนะกยมนะมนะที่มาเนี่ยก็ให้ป็นกลางวุ้นดูส ม, มัยมามีครอบครัวหมดแล้วอายุนี้เจ็ดสิ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 น า, นก า, างกรรมฐานสวยนอกสวยในยสวยจุดสวยใจแต่าาช่างเคยมาดูแต่ชูหม่จับงามแนคงานหน้าง า, ามพักกลาดพอแล้วไม่ต้องลงพื้นมาแทนที่แล้วมีเครื่องลงพื้นมาไหมมีนะไ ม, ไม่ไม่ใช้เหรอว่าแทนที่ก็ไม่ใช้เหะไม่ใช่เวลาออกแล้วใช่ั้ม มือต้องมีมีท่านจะไหมไม่ใช่ทาปากเนี่ยันดีอย่างนะปากไม่ม่เนี่ยเราอยากจะทามันกนเนี่ยปากปากมันซ่เียบื้หลังมีมันโขมเงี้เอาท้ายปากมันสกึ้งมีไวมนะมีไหมนมีไหมนะ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 โยชนาสมบัติสร้างความดีต้องเสมอต้นเหอปลายรู้จักคุณของขั้าไเสมอต้นไมได้ดีแน่ได้ดีแน่นอนไม่ต้องพิสัยใครจะดีเท่าไเราจะเป็นสามีได้ไงใครจะมาช่างเขาไปไหนมันคนเราคนกันเราไม่ได้ออกหาพ้อมกันสามีทายาออกมาพร้อมกันไหมหน้าภาษาอะไรไม้พายต่างจ้องพี่น้องต่างใจท้องเดียวยังไม่เหมือนกันมีสัย คู่แปดออกมาพร้อมกันแค่ห่างห้านาทียังเหมือนกันไม่ได้มาที่วต์เป็นสาวผู้หญิงผ้ากคนกระถางพันธม่ตรทุกคนในร้อะคนน้องเรียบรอ้อยนิสัยไม่เหมือนกันคือแบบอใหญ่นคนเราเนี่ยเรียนทันกันได้หมดแต่นิสัยเหมือนกันนะแต่เป็นราชาการชั้นไหนก็ตามแต่เราก็อยู่กันเนี่ยแลายๆราชการหรือชอบกิจการก็รู้นิสัย นิสัยดีจะโอบอ้อมารีมาชื่อเลร่สงฆ์ทุกคนวานตนเป็นกลางมีแต่แม่ตาเรงมีหานะฐานบางคนไม่มีเลยไม่มีจียาใช้เลยม่สัยไม่ดี้ระทั่งดินรอกเตอนนิสเลยแต่เดียโอบอ้อมารีใครไม่เชื้อเพื่อกับใครไม่ได้ช่วยเหลือให้เลยเห็นแต่ตัวตลอดเลยตานี่มันอยู่ที่นิสัยถ้าราชการจำถานทำให้นิสัยดี ทำให้ครูสมบุญญาศรีเพิ่มเมตตาปลาณีขิจะไม่หวงใครเลยหนึ่งจะมีกานอุตเวเชต่อผู้มีบุญคุณสองจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยออนน้อมท่ตนสามจะกลายเป็นผู้เสียสนะได้อย่างดี้ 4. ่ทำให้เกิดชื่อสัตว์สี่จะเป็นคนื่อสัตว์แต่น้นต่อครอบครัวต่อตัวเองชัดเจนมาก บางคนไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่น้กาก็ดูมามากอะเราก็รู้เนี่ยแต่น้าเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วตายไปแล้วเราก็บอกพาาระเทวชุวันบอกว่าเจ้า ก, กรรมในเวรขอให้ข้าพเจ้าใช้นี่มนุษย์ทั้งหมดพรดาวสยารมรวมนั่งขมาขอให้ท่า น, นทั้งหลายนข้าพเจ้าขอลาไปแต่ใช้นี่มันุษหมดขอให้กลับคืนนคืนมาเถอะมาใช้นี่มนุษย์ทั้งหมดชาติหน้าเราจะไม่ขอมาเกิด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 กินสบายนอนสบายกำลังทั่วโดนไม่รู้ตัวมาเอางานอาการเนี่ยคนทั่วทั้งน้นล้สองความดีกับเพือเงินทองไปอสศรพิยตรงเนี้ยแต่ไม่ใช่ของเราอย่ามาเป็งูเห่ากับทั้งบ้านเลยฆ่ากันแหลกแตกลานพ่อไม่ใช่สมบัติวันนี้ไปได้ไหมแลกกับเป็นค า, า, าใช้จ่าไปได้ในสมบัติ ขอพระทานโทษคือโยมคลอดอยากจะพาพาของแม่มามีอะไรไหมได้คิดว่าจะมาเข้ามูลนิธิมีอะไรไหมฮะมีสร้อยไหมมีเพชรไหมมีอะไรฮะได้มาสองคนกับสามีไหมไมลาวเลยมาชุดวันเกิดโลกมาเลยใช่ไหมใช่ไหมแลวเรามาหาสัง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 ละเมินผลให้มันมากไปว่าหน้ากสรมฐานให้ปัญญาที่โผลเป็นโฉดาเป็นอรหรรันต์ไปโฉนิภาเขาแค่นี้ก่อนให้มันได้ก่อน<ม>ทจริงไม่ชอบไปชอบที่ไม่จริงเอาที่จริงนี่ก่อนได้ไหมไม่มต้องไปต้องแต่งตัวแล้วงามแนคงามหน้างามผัสหลานงามอัจฉริยาใสนิ่งใสดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้เอาตรงนี้ก่อนได้ไหมดวงตาดีหมด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 ให้ทานไปสิอย่างพญองพิชาเนี่ยเขาเป็นทุกขเวชนนทสองกุมารจะมาถือยังให้ได้ใช่ไหมรับบาแค่แล้วทำไมสวามีให้คนอื่นไม่ได้นี่รู้เรื่องทุกขเวชนนอ์สองกุมารยังให้ได้ในยอนน่งยานาามตาเขายังคว้าให้ได้คือลูกชายของาหัวใจก็าคว้าให้คนอื่นได้ วิจัยคืออะไรรวมรู้ไหมนะวิจัยจะคว้า ใ, จจาใครคนอื่นได้คืออะไรยังงั้นเลยโอ้รู้เหมือนกันเดอใจิใจก็คือสามีทยาจังสามารถให้เป็นพรามได้ถ้าเราสามีใครมาขอให้ไม่ได้เด้อให้ได้ไหมนะนะ ะนก็ถูกแล้วล่ะเอาไปทั้งตัวสิจะเอาตังเราไปได้ยังไงล่ะเนีเาเคยเอาตังเราไปเหรอให้เขาพวกนักกรรมฐานต้องใจกว้างแล้วก็